นนะเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลเนี่ยเป็นกิจที่ควรบาเพ็ญนั่นแหละเคยได้ยินนะบุคคลพึงรีบวรขวนขวายในความดีพึงรีบขวนขวายในกุศลพึงห้ามจิตเสียจากบาป น, นะเพราะว่ารีบขวนขวายในการทำกุศลอย่าทำบุญช้าเพราะว่าผู้ที่ทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาปนี่ก็เป็นพุทธพจน์นั่นแหละ มันจึงปล่อยไม่ได้เลยขณะจิตเนี่ยจึงไม่ใช่ตามเวนตามกรรมแบบไทยนะแต่ถ้าตามกรรมแบบคําสอนเนี่ยกรรมนั้นเป็นไหนกรรมมีกี่อย่าง1กรรมดํามีวิบากดำสองกรรมขาวมีวิบากขาวสกรรมทั้งดําทั้งขาวเพื่อผลทั้งดําทั้งขาวสามกรรมไม่ดํำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมนนแม้แต่ตามยะถากรรมมันก็ต้องดูว่ากรรมชนิดไหนอาจจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมมันก็กรรมจริงๆกรรมข้อไหนอ่ะคันนี้ เมื่อเราเป็นไปตามกรรมของเราเราสามารถกำหนดได้ไหมว่าเราจะไปพบใรก็บอกว่าถ้าประกอบไปด้วยศรัทธาศีล ส, สุตะจาระปัญญาปราถนาพบใดก็สาเร็จนี่ก็เป็นไปตามกรรมนี่ก็ตามหลักอนัตตาอีกนั่นแหละเพราะว่าเคยได้ยินนะอนัตตาบางอย่างควรควรทำอะไรอนัตตาบางอย่างกิจของอนัตตาคือปริญญาากิจอริยศสตร์เป็นอนัตตาไหมเป็นทุกขศสตร์เป็นอนัตตา แต่อนาตตาของทุกขัสสะเป็นปริญญยากิจปริญญาสามส อ, อสมุทัยศัสตร์เป็นอนาตตาไหมเป็นแต่ประหาร <c oughs> ประหารนกิจกิจของอสมุทัยศัสตร์คือประหารนี่ก็อนาตตานิโรธเป็นอนาตตาไหม <c oughs> เป็นแต่ควรทําให้แจ้งเป็นอนาตตาที่ควรทําให้แจ้งแล้วอริยมรรคประกอบด้วยองค์8 <c oughs> เป็นอนาตตาไหม <c oughs> เป็นแต่เป็นอนณาตาที่ควรเจริญพอกพูนทำให้มากอันทุกอย่างเป็นอนณาตาหมดเลยไม่มีอัตตาแม้แต่นิดเดียวตั้งใจให้มันเป็นอัตตายังไม่เป็นเลยเพราะอัตตาจริงๆมีไหมไม่ ม, ม, มีมีแต่ทิฏฐิไปสำคัญผิดเท่านั้นเองอความคิดแบบนั้นมีแต่จริงๆแล้วอัตตามีตัวนี้ใช่ไหมครับ<ต>ที่ว่ามันไปเห็นผิดเองใช่ไหมครับความจริงมันไม่มีทิฏฐิมีทิฏฐิแบบนั้นมี ความเห็นแบบนั้นมีสมมติว่านี่นะข้างล่างนี่นะข้างล่างอะนนอะไรจริงจริงมันใช่ไหมไม่ใช่แต่ไอความคิดที่คิดอ่ะนี่ข้างล่างมีความคิดอย่างนั้นมีแต่ความที่คนจะคิดอย่างนี้ทำไมคนจึงเกิดความคิดอันนี้เพราะอะไรปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยไม่ครบสัตบุุรไม่ ไม่ได้ฟังธรรมะของสัตว์บุตรย่อมสําคัญรูปโดยความเป็น<ไ>ปตนอันขณะไหนที่มิจฉาสติเป็นต้นนะก็คือหมายความว่าใส่ใจไปในอกุศลเมื่อไหร่นะเปอร์เซ็นต์สูงมากอั้นทํำยังไงล่ะใจของเราจึงจะได้ข้องเกี่ยวอยู่กับกุศลทํำยังไงจึงจะไม่ปล่อยให้ใจให้ไปเป็นอกุศลขนาดพระ อ, องค์สอนอย่างนี้นะพ่อค้าผู้มีปัญญาดีเขารู้จักหาทรัพย์แล้วเขารู้จักรักษาทรัพย์ ถ้าพ่อค้าผู้มีปัญญาดีเขาจะเดินทางเนี่ยเขารู้ด้วยว่านี่โจร น, นะถ้าโจรเข้าไปนี่เสียหายแน่เขารักษาไว้ใช่ไหมพ่อค้าที่ฉลาดเขาจะบริหารทรัพย์ไว้ได้ภิกษุที่เจริญกุศลก็เหมือนกันพราะต้องเหมือนกับพ่อค้าอย่างนั้นแหละในคาถาธรรมบทกล่าวไว้นะเหมือนกับพ่อค้าพ่อค้าเขาห่วงเขาดูแลทรัพย์เขาบริหารทรัพย์เขายังไรทรัพย์เขาจึงอยู่ภิกษุก็รักษากุศลจิตเหมือนกันกุศลจิตเป็นทรัพย์ไหม เป็นอริยทรัพย์มีกี่อย่างอริยทรัพย์มี7อย่างนะหนึ่งศรัทธาก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งสองศีลก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งสาหิริก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งโอตตปะก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งสุตตะก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งจาคะก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งปัญญาก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งฉะนั้นผู้ท sure. ี่ประกอบด้วยอริยทรัพย์เจอย่างนี้คนนั้นไม่ใช่คนขัดสนไม่ใช่ขัดสน เขาไม่เรียกว่าคนขับสนเขาเรียกว่าคนมีมีทรัพย์ทีนี้เราก็มาสอบสวนดูเออทรัพย์คือศรัทธาเรามีศรัทธาในพระรัตนตรยัยไหมนี่หนึ่งนะสองทรัพย์คือศีลจะตู ป, ปริสูรที่ศีลเราดีขนาดไหนพอที่จะไปเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจได้ไหมสามฮีริโอตาปะอายชั่วกลัวบาปขนาดไหนนั่นก็เป็นทรัพย์ในตัวที่อายชั่วกลัวบาปฮีริโอตาปะตัวนั้นสุตะ นะสะสมความรู้ในพระธรรมคําสอนขนาดไหนนั้นก็ทรัพย์อย่างหนึ่งจากะสละกายกรรมที่ชั่วสละวจีกรรมที่ชั่วสละมนโนกรรมที่ชั่วได้ขนาดไหนก็เป็นจากะอีกอย่างหนะึ่งปัญญาปัญญาก็คือเข้าใจกรรมสกตาเป็นต้นนะนั้นก็เป็นทรัพย์อีกอย่างนะึงท <ขอ S 1> ีนี้ <นะ S 1> มา<ซ>นะต่อต่อเรื่องชาวนะปัญญาหน่อยเนาะครับครับก็ชาวนะปัญญานี่ว่าเปสองยกก็ยังไม่จบเลยอ่ะนะ ชวนาปัญญาก็คือปัญญาที่เล่นไปเร็วว่าไงเล่นไปเร็วคือเล่นไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเล่นพิจารณาอะไรโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาท่านก็กล่าวถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีตใกล้ไกลพิจารณาเล่นไปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นแหะ นี้ใน1จดถึงไปพิจารณาจักสุนะเล่นไปในจักสุโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาจักสุถ้าจักสุปั๊บโสตคานาะชิวหากายะและมโนรูปเสียงเปลี่ยนรสโพตภะและธรรมรมจกักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญา ณ, าญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาก็ไล่ไปเรื่อยพบ3กําเนิด์สีกติ5นะ โกดธา32สาแล่นไปในผมโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นจนถึงอวิชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปสลายตรนะหนักผัสเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะท่านเ ล, เลยมาจุดจุดจดชรามรณะเลยว่าชรามรณะที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมแล่นไปโดยเร็วโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตา แล้วก็ต่อไปว่ารูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงเพราะอาจว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะอาจว่าเป็นเป็นภยัยคือน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารไม่มีสาระหาสาระไม่ได้อันก็พิจารณาขันห้านี้แหละทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตต า, าตรงนี้ก็ทําให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า การเจริญวิปั ส, สนาไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเดียวนะการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปรีนัตตามไม่ใช่ปัจจุบันอย่างเดียวทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันดีนะภายในภายนอกด้วยะทีนี้ต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นตรึกพิจารณาทำให้แจ้งทำให้เห็นเป็นจริงทำให้เป็นจริงย่อมแล่นไปเร็วในระนิพาน อันดับเสียซึ่งโรคซึ่งรูปโดยไม่เหลือต้องตรึกพิจารณาทำให้แจ้งทำให้เป็นจริงเล่นไปอย่างเร็วเลยนะเล่นไปเพื่อสลัดจากนิมิตทั้งห้าเหล่านี้เพื่อที่จะดับดับอาสวะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกต้องไม่ใช่โอ้ตาก็ดีเหมือนกันนะจะได้เห็นพระเห็นเจ้าจะได้ไปทําบุญให้ทานอ่านหนังสือพระธรรมเออท่ายอย่างนี้นะ ไม่เที่ยงเป็นทุกแปลหน้าตาไว้ก่อนทีนี้ต่อไปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจากสุชรามรณะเป็นต้นน่นะก็คือละไว้ที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอาจว่าสิ้นไปนะก็เล่นให้เร็วไปในพระนิพพานอันเป็นดับเสียซึ่งชรามรณะโดยไม่มีส่วนเหลือดังนั้นข้อความในปฏิสัมพิทาเนี่ยท่านแยกหัวข้อวิปัสสนาเป็นร้อยหัวข้อในการพิจารณาเนี่ยมากมายมหาศาล นั้นคาดมาย่อๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาวัยแบบนี้นะรูปที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงนะอันนีจ้จะโตเป็นของเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นเรียกว่าสังคตัดโถนะถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นธรรมะที่อาศัยการเกิดขึ้นปฏิจจ์อาศัยการเกิดขึ้นขยะสิ้นไป วายะเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายกำหนับเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นตรึกพิจารณาทําให้แจ้งทําให้เป็นจริงย่อมแล่นไปเร็วในพระนิพพานอันดับรูปโดยไม่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจากักษุก็ละจน ถ, ถึงชรามรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เที่ยงเป็นสิ่งปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีสิ้นมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ม, ามีคลามคลายไปเป็น ธรรมดามีคลายกำหนัดเป็นธรรมดามีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นตรึกพิจารณาทำให้แจ้งทำให้เป็นจริงย่อมเล่นไปในพระนิพพานอันดับชราและมรณะโดยไม่เหลืออันทุกอย่างเนี่ยนะพิจารณาสามารถที่จะยังถึงอริยสัจได้เลยเราเคยได้ยินอะไรใช่ไหมว่ารูปประขันนะรูปประขันรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธค า, ามินีปฏิปทา ถ้าผู้ที่รอบรู้เรื่องรูปจริงๆก็สามารถที่จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้นั่นแหละแต่ถามว่าไม่รู้จากเวทนาใช่ไหมรู้รูปโดยที่ไม่รู้เวทนาได้ไหมเออแล้วเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้บอกเป็นไปไม่ได้เอาเอาแบบที่เป็นไปได้ไหม้ยคําว่าถ้าเห็นรูปและเห็นเวทนาด้วยเป็นยังไง อันนัคนอื่นเห็นเห็นเป็นยังไงถ้าเห็นรูปแล้วเห็นเวทนาด้วยเป็นอย่างไรนะเห็นรูปแล้วไปเห็นเวทนาด้วยเป็นยังไงใครเอาควห็น่อยเห็นรูปแล้วคือผมเพิ่มนิดหนึ่งนะคือถ้าพิจารณารูปในลักษณะที่เป็นปริญญานะเป็นปริญญาเนี่ยนะเราคิดดูนั้นไม่ใช่ว่าคิดแค่นี้นะหมายว่ารอบรู้รูปอ่ะ เมื่อรอบรู้รูปทั้งหมดเนี่ยทําอย่างจะเป็นไปได้ไหมที่ทําให้เราพอเป็นรุ่นนามมาทาด้วยจากโควิญญาณเป็นที่อาศัยเกิดเออไม่ใช่จากขวัตถุคือรูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาชนิดไหนไ อ, อุเบขาเวทนาโสตเป็นรูปไหมเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาชนิดไหนอุเบาขาคานะเป็นที่อาศัยเกิดของ อุเบกขาเวทนาชิวหาเป็นที่อาศัยเกิดของอุเบกขาเวทนากายเป็นที่อาศัยเกิดของสุขกับทุกขเวทนาเ อ, อรู้รูปสมมุตินะถ้ายุงกัดเนี่ยรู้แต่รู้แต่รูปเลยไม่รู้ไม่รู้เจ็บหรือไงนั่นแหละอันในขณะนั้นมีทุกข์ด้วยถ้ารู้รูปจริงๆนะรู้กายรู้โพธะจะต้องรู้จักทุกขากายยะวิญญาณนะมันก็สามารถพ้นอยู่ตรงนั้นแหละใกล้ๆกันนั่นแหละ รู้จักขูภาษาทะแล้วเนี่ยนะจะไม่รู้จักครูวิญญาณได้ไหมครับถ้าจะปริญญานะรู้รอบอะค่ะพิจารณาแบบปริญญาเลยเนี่ยก็ต้องรู้ทั้งก็รู้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่ายังไงก็ต้องรู้ขันธาอย่างไงก็ต้องรู้ขันธาเพราะว่าตากับสีก็เป็นโรคประคันผู้ที่รู้จักเวทนาโดยที่ไม่รู้จักภาษาเป็นไปได้ไหมถ้าบอกว่ารู้จักเวทนา โดยที่ไม่รู้จักภาษาไม่ได้เพราะเวทนามีภาษาเป็นปัจจัยถ้ารู้จักภาษะรู้เวทนาไม่รู้สัญญาได้ไหมไม่ไ ด, ไได้เพราะสัญญาก็เกิดร่วมกันนั่นแหละรู้สัญญาโดยที่ไม่รู้เจตนาได้ไหม <c oughs> เพราะเจตนาก็เป็นธรรมะรู้เจตนาไม่รู้จักจิตเป็น ไ, ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาปัญจกะก็จะเกิดขึ้นธรรมะมีภาษาเป็นที่ห้าก็คือจิตเวทนาสัญญาเจตนาจิตธรรมะห้าอย่างนี้เป็น นามธรรมนะเป็นนามธรรมเมื่อเป็นนามธรรมก็อาศัยจากขู่และรูปคือโลกประธรรมใช่ไหมจริงเราเรียนพระพิธรรมนี่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเราได้ประโยชน์ตรงนี้มากเลยเพราะว่าท่านอาจารย์พูดมานี่ถ้าเราไม่รู้พระพิธรรมนะอู้ยากนะเพราะว่าท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดรู้ทุกนะผู้นั้นต้องรู้สมุทัยด้วยต้องรู้นิโรธ ด, ด้วยต้องรู้มรรคด้วยหรือถ้าผู้ใดนะรู้เรื่องมรรคนะก็รู้อีกสามอย่างด้วย เมื่อกี้กล่าวว่าเรารู้จักคูรู้รูปรู้จักคู่วิญญาณรู้ภาษะเวทนาสัญญาเจตนาที่เกิดร่วมกันตรงนั้นด้วยถามว่ารู้อย่างนี้จริงๆจะรู้จักโลภะที่เป็นปัจจัยไหมรู้เพราะว่าจักคู่มีอะไรเป็นปัจจัยจักคู่นั้นมีตันหาวิชาอุปาทานเป็นเหมือนกับแม่ที่ทาให้มีจักขู่นะรู้จักจักคูโดยที่ไม่รู้จักแม่เขาเป็นไมได้หม เบ่ต้องรู้จักแม่ก็ได้วยรู้จักพ่อด้วยไหมรู้รู้กรรมคือพ่ออะไรเป็นที่เลี้ยงของจักรครูอาหารโลผ้าที่เป็นเหมือนกับแม่เป็นปัจจัยอะไรเป็นเป็นสัจว์จั่งไหมโลผ้าที่เป็นปัจจัยแก่จักรคูเป็นสัตว์จั่งไหมเป็นสมุทัยสัตว์นั่รู้จักจักรครูจริงๆต้องรู้จักสมุทัยด้วยต้องรู้จักปัจจัยแล้วต้องรู้จักพี่เลี้ยงของจักรครูด้วยมันก็จะรู้จักทุกการสมุทัยก็เป็นไปแล้วใช่ไหม จักขูพร้อมทั้งธรรมะจักขูสีจักขูวิญญาณเป็นทุกขสัจ ต, ตันหาอาวิชาตันหาตัวนั้นเป็นสมุทัยศาสตร์ที่ทําให้เกิดจักขูถ้าละคลายความยินดีในจักขูอันนี้เสียถ้าไม่มีความยินดีในจักขูพอรอบรู้เรื่องจักขูทั้งหมดเหล่านี้เป็นอย่างดีปัจจัยที่จะทําให้มีจักขูในภพต่อไปได้ไหมก็ ว่าแต่แต่ขณะที่เพ่งแบบนี้บ่อยๆเป็นประเภทตะทางค่าประหารเป็นตะทางค่าประหารเมื่อเห็นลักษณะหรือเห็นความจริงของรูปนามอันนี้ละสกายาทิฐิแสดงว่าถ้าหากว่ามีปัญญาแค่ตะทางค่าประหารนี่น ะ, ะแสดงว่าวัตตะมันสั้นลงนิดนึงแล้วนะครับคือต้องต้องดูว่าถ้าเป็นอุปนิสัยแกมมักในภพนี้ก็ก็ถือว่าสั้นละ แต่ถ้ายังไม่เป็นอุปนิสัยแกมมากเลยก็มันก็อีกนานเหมือนกันมันก็กระเทือนแล้วนะครับ <c oughs> ก่อนนี้มันไม่มีใครไปยุ่งมันได้เลยอะล่ะลบตัวเนี่ยครับ <c oughs> ดูโลบผ้าเนี่ยครับที่มันนําเกิดเนี่ยครับแต่ถ้าสะสมบุญไม่ดีนะถ้ารอบรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีถ้าเราไม่ได้เป็นอุคติตันยูไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอุคติตันเออวิปปจิตันยูไม่เป็นไรโอ้ปฏิบัติจนตายแล้วไม่เป็นเนยะก็ไม่เป็นไรเ <c oughs> ขาบอกว่าจะไปบรรลุเร็วในภพหน้า เออถ้าพบหน้าไม่ได้บรรลุถ้าเกิดมามาไม่มียุคที่ไม่มีผู้ศาสนาเปอร์เซ็นได้เป็นพระประเจกมีมากอเอางั้นเลยเนาะเอางั้นเลยไม่เลวไม่เลวมีกําลังใจเยอะนะถ้าหากว่าไม่ไม่มีผู้ศาสนาจะได้เป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าถ้าสะสมไม่เพียงพอนะแต่หมายถึงว่าสองอสงไถยที่แล้วก็ไม่เบาเหมาือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ต้องย้อนอดีตหน่อยแล้วท่านบ้าเลยไปให้มันจบเลยนั่นแหละเนื่องามากไหนเนะ่ มัรู้ไมครับอ๋อไม่เอานี่สองเลยคือคือมักริยมักระครับเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปสามเรื่องไงฮะว่า<ช>ถ้ารู้หนึ่งไปรู้อีกสามนะฮะแล้วก็ไล่มาเรื่อยเลยตั้งแต่ทุกขศาสตร์สมุทัยศัตร์แล้วก็นี่โรทสศาสตร์คือ น, นิสมักรศาสตร์มันยังไงครับทำมันพลอยรู้ไปด้วยครับเมื่อกี้อาจารย์เล่าอันนี้สองการพิจรารณาให้ฟังด้านไหนเอาเอาก่อนแล้วกเอาก่อนนนว่าทุกข์กับสมุทัยนี่อะไรเป็นตัวรู้ผู้ที่อะไรเป็นตัวพิจารณา ปัญญาเป็นตัวพิจารณาวิตกนะเป็นตัวพลิกระ ว, วังกันวิตกเนี่ยอ่ามันมันนี้ก็อ่านในจูละเวทารสูตรท่านก็อธิบายถึงว่าปัญญาเนี่ยมันก็เหมือนกับการเห็นเท่านั้นแหละเหมือนกตาไม่สามารถพลิกอะไรได้ใช่ั้ยใช้ตาให้พลิกนาฬิกาให้ดูหน่อยทาไม่ได้หรอกต้องเอามือพลิกจึงจะถูกกิดวิตก ที่มีปัญญาที่มีวิตกุปรถรมตรึกบ่อยๆเพ่งมากๆก็จะเห็นนั่นแหละอันสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะจึงประเภทปัญญาด้วยกันหั้นถ้าตรึกบ่อยๆเพ่งบ่อยๆพวกนี้ปัญญาอ น, นั้นเป็นสัมปชัญญะนั่นแหละผู้ที่จะมีสัมปชัญญะนั้นต้องอาศัยอาตาปะอาตาปีและไม่หลงลืมเป็นกิจของผู้ไม่ประมาะเรียกว่ามีสติ อาตาปีสัมปชาโนสติมาในขณะนั้นกุศลธรรมอันนี้เป็นถ้าเป็นตทางคะก็เป็นโลกิยมักอยู่ท่านกล่าวว่าเป็นโลกิยมัก ต, ตั้งแต่ทิทิวิสุทธิทิทิวิสุทธิเนี่ยเป็นเหมือนกับรถผลัดที่เท่าไหร่ที่สามใช่ไห ม, มผู้ที่มีทิทิวิสุทธิเนี่ยแสดงว่าเดินทางมาสองขั้นดีแล้วศีและวิสุทธิกับจิตตาวิสุทธิดีแล้วจึงทิทิวิสุทธิจึงจะบริบูรณ์ เมื่อที่เทววิสุทธิบริบูรณ์จะทําให้ได้ตังขาวิตรณวิสุทธิข้ามความสงสัยที่แรกอาจจะสงสัยเอจากขู่นี้ใครสร้างมาพอ ม, มองรอบรู้ปัจจัยก็ไม่สงสั ย, ยใช่ไหมอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดจากขู่ไม่ไ ม, ไม่มีไม่มีความสงสัยในเรื่องปัจจัยของจากขู่เป็นต้นก็จะละคลายความสงสัยข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้นี่ถ้ารู้ปัจจัยของจากขู่จริงๆเนี่ยสงสัยในคําสอนพระพุทธเจ้าไหม ก็นั่นแหละก็จะละวิจิกิจชาในพระตนะตรัยด้วยในขณะนั้นแล้วถ้าพิจารณาจนถึงความเป็นกลุ่มเป็นกองโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นมากเข้าจึงเห็นอย่างถึงความเกิดและความดับเห็นให้เกิดจากขูมิกิยางเห็นให้เกิดจากขู่นะหนึ่งะถ้าจากขูเป็นรูปขันอาวิชาตันหากรรมเป็นตัวให้จากขู่เกิดและก็อาหารและ นิพพติลักษณะที่ทําให้จกักรโคเกิดเพราะปัจจัยเหล่านี้ไม่มีรู ป, ปรอาการหรือจักรควรนี้ก็เสื่อมไปนั่นแหละอย่างถึงอันนี้ถ้าผู้ที่พิจารณาอย่างนี้มากๆสามารถที่จะอย่างถึงปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีโดยปฏิโลมวาถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีและอย่างรู้สัจจะด้วยว่าตัวจกักรโคเป็นต้นพวกนี้เป็นทุกข์สัตย์ ตันหาเป็นต้นที่เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นสมุทัยสัตว์ถ้าไม่มีตันหาไม่มีจกักรุนั่นเป็นนิโรธสัต์ฉนั้นไอ้ข้อปฏิบัติที่มาอย่างรู้สามอย่างนี้เป็ น, นมัคคสัตว์แต่เป็นโลกียมัตพอพิจารณาได้ระดับนิวิปัสสูปกิเลสจึงจะเกิดขึ้นเวลามหมดพอดีแล้วครับท่านครับนี่เป็นมัคคามัคคยานทัศนาวิสุทธิจบพอดีแล้ อ, อย่งอย่างอีกยังอีก เป็นมักฆเชิญเนี่ยรู้ว่าทางไม่ใช่ทา ง, ทงนั่นเองอคือถ้าวิวปัสสนูอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็สําคัญว่าเอ้เรานี้ได้บรรลุแล้วมัง้งอันนี้ไม่ใช่ทางจะ ต, ต, ต้องมาพิจารณาต่อพิจารณาแบบนั้นแหละอีกซ้ําอีกก็ยังถึงเกิดดับจนข้ามความสงสัยได้ก็เป็นปฏิปทาญาณทัศน์ศาศาศาวิสุทธิปฏิปทาก็คือปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายทายท้อนในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพื่อญาณทัศนวิสุทธิ อริยมรรคยิงจะเกิดขึ้นได้มันก็จะเป็นขั้นตอนไปก็เวลาก็หมดแล้วนะครับอือที่เรา <c oughs> พูดธรรมะ ก, กันเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับจาันทิงสูงเนี่ยผมสบายใจอย่างคือว่าเราไม่ได้ออกนอกคัมภีร์เลยไม่มีคิดประดิษฐ์คําพูดขึ้นมาเลยนะสบายใจอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพูทธดาจ่าไปฟังที่ไหนจะไปเผยแพร่ที่ไหนเราก็สบายใจไม่รู้สึกอะไเลยอนะ นี่เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์สบายใจด้วยผมก็สบายใจด้วยนะครับไม่ได้ออกนอกคำพีร์เลยนะครับครับท่านจะมีอะไรหมครับตอนท้ายนี่ครับคำถามเดียวครับคำถามเดียวเจิญครับถามว่าพิสุทธิ์ที่เจนี่ยนะคะกับอนุปัสนาเจตนี้มีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าคะมขามคยานทัศนวิสุทธิก็คือพวกอนุปัสนา7 จนพออานุปัสนาเจตเป็นปฏิปทาวิญญาณทัศนวิสุทธิ์ด้วยสองอย่างคือมักขากับปฏิปทาสองสองอย่างเนี่ยก็คืออนุปัสนาเจตนั้นเป็นอนุปัสนาเจตอย่างใดอย่างหนึ่ ง, คน น, นงคนนึงคนนึ่งก็ได้อย่างเดียว อ, ะอ่ะอ๋ออนุปัสนาทั้งเจตนั้นก็บอกว่าอนิจจาทุกขานาตาเนี่ยอันเดียวกันอือันเดียวกั น, น, กนถ้า อันนี้จาทุกขาหน้าตาเนี่ยสตัวนี้บริบูรณ์นิพิทาจริงจะบริบูรณ์ถ้าอันนี้บริบูรณ์4อย่างบริบูรณ์จะทําให้วิราคาบริบูรณ์ถ้าวิราคาบริบูรณ์จะทําให้นิโรธาบริบูรณ์นะทั้งหมดประมวลรวมกันจริงก็ได้ปฏินิสักคาบริบูรณ์มันก็จะเพิ่มเพิ่มประพูนต่อกันก็คือประเภทของมคามขยานัศสนวิสุทธิกับปฏิปทาญาณทัศสนวิสุทธินะฟังวาลีก็เหมือนเกันนะถ้าใครไม่เคยฟังมาก่อนเลย ไม่เป็นไรโอ้โ oh, หโชคดีเลยนะนะได้ฟังสับใหม่ๆ <c oughs> ของมาอ่านหนังสือธรรมะแรกๆนะโอ้วันนี้เจ๋ไว้ได้สับใหม่เพิ่อมอีกคาคิดอย่างนี้เอาโตต้องให้กำลังกายตัวเองหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเลิก <c oughs> อันนะอ่าวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้